บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไปพูดถึงเรื่องจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเดิอำนาจของกิเลสเวลาเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นพูะเจ้าทรงสอนให้บุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงในแต่ละขณะที่สัมผัสกับอารมณ์ภายนอก โดยการได้รูคฟังเสียงดมกลิ่นริมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือแม้แต่การเหนียวนึกจึกนึกว่าในขณะนั้นๆมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าในขณะนั้นสังโยชน์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นสังโยชน์เป็นเรื่องของกิเลสแต่ผู้ตึ้งแนวของอริยสัจก็คือเรื่อง ของสมุทัยสัตว์ที่ทรงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษและเพียรพยายามลดละบันเทาในกรณีที่เขาเกิดขึ้นแล้วจนถึงสามารถสงบระงับดับไปได้ก็จะเป็นการดีแต่การลดละกิเลสระดับนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นกิเลสที่ละเอียดคือเป็นตะกอนใจก็อยู่ภายในใจ จะต้องมีอะไรมากระตุ้นจากข้างนอกจึงจะเกิดความรู้สึกในลักษณะนี้ขึ้นเพราแนวทาวการปฏิบัติจึงทรงสอนในรูปของการขัดเกล้วโดยวิธีการต่างๆซึ่งเราอาจจะกล่าวโดวยสรุปว่าหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้ามองในสายของกิเลสก็คือเพียงพยายามลดละกิเลส ขัดเกลากิเ็สเหล่านั้นให้เกิดจางบาบางลงไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่หมดสิ้นไปแต่เป้าหมายนั้นก็เป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องสูงสุดจึงมุ่งเน้นไปในทางรถละพันเทาสิบมากกว่าแต่ปัญหาบางอย่างเป็นปนัญหาใหญ่ที่มีพื้นฐานมาจากระวิชาหมายความว่าเราอาจจะ รู้ในส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนแต่ก็มีอีกหลายๆส่วนที่เราไม่รู้ก็คล้ายๆกับเรื่องปัญหาของชีวิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับคนกษับสัตว์กับสิ่งของต่างๆส่วนหนึ่งเราก็รู้แต่ถามรายละเอียดมากกว่านั้นก็ไม่รู้แม้แต่คนที่ศึกษามาจริงๆจังในแต่ละเรื่อง เอาไปจิ้มก็มีจุดหนึ่งที่เขายังไม่รู้เหมือนกันมาจะศึกษามาเป็นเวนานแล้วก็ตางยิ่งความรู้ในความหมายทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่านั้นเพราะคําว่ารู้นั้นต้องหมายถึงกิเลสได้ดลดละลงไปด้วยไม่ใช่รู้แล้วเพิ่มกิเลสขึ้นไป ถ้ารู้แต่ว่ากิเลสเพิ่มก็แสดงว่าไม่รู้เพราะว่าความรู้นั้นเป็นตัวแสงสว่างความไม่รู้เป็นตัวความมืดเมื่อแสงสว่างเกิดความมืดต้องลดตาหากว่าไม่ลดก็แสดงว่ายังไม่มีแสงสว่างการเปลี่ยนแปลงภายในจิตจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จิตของตัวเองเป็นหลักเกณฑ์สําคัญ ในการพิสูจน์ผลธรรมปฏิบัติทางรุักศาสนาปัญหาใหญ่ที่กล่าวต่อเนื่องกันมาหลายวันก็คือเรื่องของวิจิกิจชาเป็นนอวบนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปมาน่ากลัวเช่นเป็นทางที่มีเสือสัตว์ร้ายอาศัยอยู่บ้างเป็นทางที่ธุระกันดานบ้างเป็นทางที่เต็มโดย หลุมบอกปากหนามบังหรือเป็นภาพมายาหรือการแสดงมายากลที่เราไม่รู้อะไรมันจริงหรือไม่จริงบ้างทาให้เกิดความเคลือบแครงสงสัยและความเคลือบแครงสงสัยที่เป็นฐานใหญ่ในความเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งบางครั้งก็ทำให้ความศรัทธาเลื่อมใสนั้นเลื่อนลอย เป็นการหลงประเด็นของคำว่าปรัตนาใจซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปในหมู่คนไทยเรามักจะมองพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์แล้วความรู้สึกนึกคิดที่ตัวมีต่อพระสงฆ์ซึ่งตนสัมผัสได้เท่านั้นเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยความดีไม่ดี บางครั้งไปพบพระที่ประพฤติไม่เหมาะไม่ควรสักรูปหนึ่งก็มองเห็นว่าพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้เลิกนับถือพระพุทธศาสนาแล้วที่ร้ายกันไปยิ่งกว่านั้นบางครั้งแม้จะมีความนับถือพระพุทธศาสนาแต่บอกว่าจะไหวเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมไม่ไหวประสงค์นั้นแสดงเห็นว่า เป็นการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะแท่จริงแล้วพระสง์ก็คือพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกับชาวบ้านวัวก็มาศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างบรรลุมารผลบ้างไม่บรรลุบ้างเรือต ก, ก, อกประยาพระธรรมปไห น, นยื่นถึงก็ตกนรกเลยหายไปบ้างมันก็มีมาตั้งตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้ว ในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระอ า, าราคันแต่ก็มีคนทําบาปรกรรมที่รุนแรงเช่นพระเทวทันถึงว่าแต่จริงแล้วพระสมัยนี้ไม่มีใครทําแรงขนาดนั้นแต่ศาสนาก็สืบต่อมาได้เพราะว่าพุทธศาสนิกชนเข้าใจว่าพระสงฆ์ก็คือเรื่องของพระสงฆ์ท่านทําดีก็เป็นเรื่องของท่านท่านทําไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ว่าจากการทำดีของท่านนั้นทำให้ท่านได้สถานะที่เราเรียกว่าอาหุนโยอาหุนโยธกิจนโยอัญชริกานโยคือเป็นผู้ควรแก่การคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การประนมมือไหว้จะอยู่ในฐานะเป็นนาบุญของโลกแต่สิ่งเหล่านี้ที่จริงก็สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของท่าน ถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะรับความเคารพรับถือจากประชาชนแต่การที่เราแสดงความคำนับการต้อนรับการทำบุญหรือการไหว้ก็เป็นการอาศัยท่านทำบุญเราเป็นคนได้บุญท่านก็อาจจะได้รับประโยชน์ด้วยการตักบาตรอยากทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวบุญจริงๆเน่เราเป็นคนได้ท่านได้ก็จากการปฏิบัติท เราได้ก็จากการปฏิบัติของเราเพราะสิ่งหลายนั้นเป็นกระบวนการของกรรมก็เป็นแกนไขของกรรันแต่คนเข้าใจอย่างนี้มันก็มีได้น้อยเพราความเครียบแรงสงสัยในเรื่องใหญ่คือเรื่องปรัชนาใรมันจึงมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็ตาม แต่ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานบา ร, รมีภายในจิตใจของคนเราที่มีความยิ่งมีความย่อนไม่ทัดเทียมกันแต่ส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากการขาดใช้การใช้ปัญญาปินิพิจารณาทีตัาจารยำว่าขาดหลักของโยนนโสมันทเสการ คือการนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดจะมีระบบมีเหตุมีผลมีกระบวนการในการคิดมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุกับผลเมื่อขาดความคิดมันก็ใช้ตัวเองเป็นฐานในการคิดเชิงคิดถึงพระพุทธเจ้ามก็ต้องเอาพุทธเจ้าเป็นฐานในการคิดเอาเรื่องของการบาเพ็ญบารมีธรรมการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ศัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นการทำงานเป็นการศัสรู้แล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ท่ามกลางนักปรารถนมีคนสูญเสียผลประโยชน์จากการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนั้นมากเอ็นสอนเรื่องการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นบาปหรือฆ่าสัตว์เป็นบาปผู้ที่มีอาชีพในการฆ่าสัตว์หรือพวกอาศัยวิธีการบูชายันโดยการฆ่าสัตว์เขาก็สูญเสียผลประโยชน์มีคนไม่ชอบโรงเป็นนั้นมาก มีคนเคารพนับถือสถาพระองค์เป็นนั้นมากเพราะว่าการแสดงความจริงในเรื่องอะไรก็ตามในแง่ของสังคมแล้วต้องมีคนสูญเสียผลประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคนได้ประโยชน์แต่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีได้อย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียวมันจะต้องมีการได้และก็การเสียเพียงแต่ว่า ให้เสียน้อยก็ได้ก็เป็นความถูกต้องดีงามแล้วในการปฏิบัติธรรมาทางศาสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเราจะต้องเสียไปอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้มาอีกอย่างหนึ่งเช่าการประกอบสัมมาชีพหรือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบมันเป็นการตีกรอบตัวเองให้อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายของศีลธรรมของจริยธรรมมันดีงาม มีสินค้าบางตัวซึ่งทหากว่าใช้ทุจริตผิดกฎหมายแล้วจะทําให้ตัวเองร่ํารวยเร็วแต่เมื่อเราต้องการจะอยู่ในกรอบเราก็ไม่ยอมเอาสิ่งของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมวันใดวัดกันในแง่ของความร่ํารวยเราก็ร่ํารวยช้า ก, กว่าครับแต่วัดกันในแง่ของความสุขใจความสบายใจความปร่งเบาที่เรามีอยู่ในแต่ละขณะเราก็ได้ดีกว่าคนที่เขาร่ํารวยในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และชีวิตหลังตายนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการรพฤติปฏิบัติธรรมะในปัจจุบันนั้นมันเหมือนกระรดน้ําที่โคนของต้นไม้แล้วก็ไปได้ดอกผลที่ปลายของต้นไม้ผลจากการรพฤติปฏิบัติความดีของเราจึงให้ผลเฉพาะไม่ไม่ให้ผลเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแต่ให้ผลสืบต่อกันไปในชาติปุกต่อไปด้วยพระตรากว่า เรามองเราคิดโดยเหตุโดยผลแล้วก็จะมองเป็นการเชื่อมโยงเพราะชีวิตเราเป็นกระแสที่ไหลไปเรื่อยๆจนต้นใช้คำว่ากระแสสังสารวัตคือเป็นอาการที่หมุนบน่นไม่มีความหยุดนิ่งในแต่ละขณะจะทำยังไงว่าให้หมุนไปในทิศทางที่มันดีหน่อย แม้จะไม่สามารถทำลายกิเลสจนหลุดพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็าตามแต่ว่าให้ลดกิเลสลงไปได้อยลดความรุนแรงจากการกระทําซึ่งเกิดขึ้นจากแรงปรักดันของกิเลสลงไปไน่อยอันนี้ก็ต้องอาศัยหลักการคิดควรการพิจนารณาโดยเหตุดโดยผลแล้วความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณ ก, ก็จะเพิ่มขึ้น การใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็จะไปเพิ่มตัวศรัทธาให้มันคงขึ้นแต่ในขณะนนเดียวกันแม้เราจะเริ่มจากศรัทธารัตถาแล้วก็จะได้สัมผัสตรงจากการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้ปัญญาเราเพิ่มพูนขึ้นตำมนองค้ายๆกับเราเข้าใกล้ชิดกับอะไรไปหยิบไปช่วยไปพลิกไปดู สิ่งเหล่านั้นในสุดก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจมากกว่าตอนที่เราไม่ได้พินิพิจารณาตนธรรมะทั้งาาาสองประการนี้จึงเป็นเครื่องที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันสธาความเชื่อมั่นท่านจึงให้ปลูกที่พระคุณของพระพุทธเจ้าคุณแบบนโมสามประการคือกรุณาคุณบริสุทธิคุณปัญญาคุณ หรือคุณที่เราสวดอิติปิโสก้าประการจะยกพระคุณก็ไใด้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาแล้วถ้าให้ดีแล้วมันก็ยกไปมาพิจารณาทุกข้อเพราะอะไรเพราะความสงสัยนั้นบางครั้งมันก็อยู่เฉพาะจุดจะเราไม่สงสัยในบทว่าอาราหังที่แปลเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผกกรมแหง่งตังสารจักเป็นผู้คว่าวคุณบูชาก็บุคคลทั้งหลาย แต่เราอาจจะสงสัยในการศ ส, สรุปเรา ะ, ะนันจะต้องพิจารณาบทว่าสมาสัมพุโทโธด้วยพิจารณาจนขจัดความเครีบแกรงสงสัยในจุดนี้แล้วเราอาจจะสงสัยในจุดอื่นก็ยกบทวิชาจรณสัมพันโตที่ว่าทรงสมบูรณ์วิชาและเจรณะขึ้นมาพิจารณาก็เรียกว่ายกมาทีละบททีละบทพยายามคิดไปเรื่อยนึกไปเรื่อย ตัวไหนคิดไม่ออกเราเพราะเราไม่มีปัญญามากพอที่จะคิดในตอนนั้นก็เชื่อไปก่อนที่เชื่อศรัทธาเป็นหลักไว้ใช้ศรัทธาเป็นหลักไว้ก่อนในตอนใดที่คิดได้ทะลุปลุกปลงก็จะเพิ่มทั้งตัวปัญญาแล้วก็เพิ่มทั้งศรัทธาให้มีมากขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลจนมีความกระตือรือร้นที่จะ ศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะในแ ง, ง่ของควา ม, มจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชจึงเห็นธรรมดนการเพราะเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆ จ, งๆจึงไม่ได้อยู่ที่ตาเนื้อคือเห็นพระรูปพระโฉมในลักษณะต่างๆ พรพุทธสยระเหล่านั้นเป็นสังขารมีการแตกดับเปลี่ยนแปลงไปธารมธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็เป็นก็อย่างนั้นแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นวิสังขารคือไม่มีสังขารก็มาปรุงแต่งเป็นสภาพจิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณทั้งสาประการคือตั้งปัญญาทั้งความบริสุทธิ์และตั้งความการุณา จึงแสดงเห็นว่าพระคุณเหล่านี้ก็แผ่ไปสารอยทุกคนทุกแห่งไม่มีคำว่าพร่องไม่มีคำว่าเต็มหมายความว่าแม้คนทั้งโลกจะปฏิบัติให้สัมผัสปัญญาบริสุทธิ์กรุณากาดอย่างสมบูรณ์หมดทุกคนพระคุณเหล่านั้นก็คงเป็นเท่าเดิมคนจะเกิดใ่โลกอีกสักกี่หมื่นล้านพันล้านมันก็สามารถปฏิบัติได้ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลเหียวนัน่นถ้าหากว่าจะใช้สถาบ้างหร่ใช้ปัญญาบ้างหรือใช้ควบคู่กันไปคืออิงอาศัยกันเพราะจริงสถากับปัญญาในภาคปฏิบัติแล้วต้องประกับประคองกันถ้าจะทำมากเกินไปจะทำให้เราขาดเหตุผลมีความงม ง, งายได้ง่าย ยังมีการโฆษณาเครื่องรางของขลังเขี้ยวเสือตายโขงเป็นเครื่องคงกระพันปลอดภัยปลอดอันตรายแต่ถ้าเราเชื่อเราอาจจะไปเอาเขี้ยวของเสือมาด้วยราคาแพงๆ แ, แต่เวลาเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าไอ้ตัวเสือเองยังรักษาตัวอรอดพน้นจากตายโขงไม่ได้เขี้ยวของเสือจะคุ้มครองป้องกันคนอื่นได้อย่างไง ปัญญาเราจะเกิดขึ้นเราก็จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นในข้อนี้ความเชื่อในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นจำเป็นจะต้องมีการใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์สวจสอบกันอย่างพระเจ้าได้เล่าถึงเรื่องสุตโสมชาดกซึ่งพระเจ้าโริีสากได้จับ พระเจ้าเป็นดินร้อยเอ็ดหัวเมืองไปค้างเอาไว้เพื่อทำพิธีบูชาต่อเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณต้นไส่แห่งหนึ่งถึงท่านบนบานสารกล่าวเอาไว้พระโพธิสัตว์ได้แสดงให้เห็นว่าเทวดาที่รักษาต้นไส่นี้ที่จริงก็ไม่ได้เก่งอะไรจนถึงก็ช่วยเหลือให้พระเจ้ามาโจรบริษดารอดพ้นจาก ความเจ็บปวดรุดร้าต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ำำําต่ําจากตอไม้ต่ํำเอาเพราะถ้าแกนแน่จริงนกก็คงไม่ขี้รดใบกิ่งของต้นไทรต้นนั้นปลวกก็คงจะไม่ขึ้นกาฝากก็คงจะไม่ขึ้นพรดีมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหักลงท่านก็บอกว่ากิ่งไม้ตัวเองอยังรักษาไม่ได้ แล้วก็มีกิ่งไมก้กิ่งหนึ่งก็มีถูกฟ้าผ่าแล้วถูกไฟเผาถูกฟไฟไหม้แต่อย่างนั้นแสดงเห็นว่าต้นไทรเองก็รักษาตัวเองไม่ได้จะสามารถรักษาคุ้มครองคนอื่นได้อย่างไกลุกเทวดาที่สิงอยู่ภายใต้ต้นไทรก็ออกมายอมรับความจริงมาแสดงตนให้คนทั้งหลายเห็นว่าที่พระเจ้าสุตสสมกล่าวนั้นเป็นความถูกต้อง ก้อนนีท่าสาชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือหมาโจรบริษัทนั้นมีความเชื่อประการที่ท่านรอดรอดพ้นจากอันต ร, รายรักษาพแผลจากตอไม้ต่ําหายไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจาไม่ใช่เรื่องของเทวดาที่โดดบัดาลแต่ท่านไปเชื่อว่าเทวดาโดดบันดาล ถ้าก็ทําไปตามอนาคตของความเชื่อแล้วก็เพิ่มความรุนแรงมากิงขึ้ น, นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเชื่อที่งมงายไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเป็นความสับสนทั้งในเชิงเหตุและเชิงผลเพรา ะ, ะไรเพราะบาดแผลนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็บรรดาลไม่ได้พระเจ้าเวลาประชวรก็หมอชีวโกวมรารพัฒน์รักษาใหน้นภาษาอะไรการุกเทวดาซึ่งเป็นในเวลาเล็กๆ ที่จะไปโดนบันดาลให้บาดแผลหายได้บาดแผลหายมันก็เพราะการเดียวยารักษาแต่พระเจ้าแต่โจรบริษัทถ้าคิดก่อนท่านอย่างนั้นเป็นความเชื่อที่งม ง, งายเพราะในพระขาดปัญญาเข้าประคับประคองการกระทําของพระเจ้าสุดโทสมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มันก็เป็นเรื่องของการสะท้อนปัญญาออกมาจากใจก็ตกลงมาใจคนแต่ละท่านก็นสะท้อนคนละอยา่าง คนหนึ่งจะซ่อนสะท้อนสรัทธาที่งงง่ายในตอนแรกคนหนึ่งแสดงปัญญาที่ถูกต้องออกมาปัญญาซึ่งมีความถูกต้องมีความสมเหตุสมผลจากตัวอย่างที่ยกมานั้นก็ทําให้เป็ลบความเชื่อที่งงง่ายของมาโจรบริษัทลงได้แต่ในที่สุดพระเจ้าสุทโส์ก็สามารถกรอบกลาจิตใจของท่านโบริษัทให้ปล่อยพระราชา ท, ทั้งร้อยเอดหัวเหมือง และเลิกละการกระทำชั่วดยการฆ่าคนด้วยจับคนมาเป็นอาหารนี่เป็นการแสดงถึงภูมิของธรรมะที่สนับสนุนซึ่งกันและกันหรือบางตอนที่แยกกันไปคนละทางความศรัทธาก็ไปทางหนึ่งปัญญาก็ไปทางหนึ่งสัทธานั่นไปโดยขาดปัญญาควบคุมมันก็มีปัญหา แต่ปัญญาแม้จะไม่มีสถากู้ภูมิก็ไปได้ในบางจุดแต่บางจุดก็มีปัญหาเหมือนกันจะมีลักษณะที่เราพูดกันว่าสติเฟื่องคือไม่ค่อยไปยึดถือหลักแต่ใช้ตัวเองเป็นฐานในการวิเคราะห์ในการตัดสินในการวินิจฉัยต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งสองประการนี้โดยหลักการปฏิบัติแล้วจะต้องอีกอาศัยกันเพื่อช่วยเหลือกัน ในการลดละในการขัดเกลาวในการบรรเทาความรู้สึกรุนแรงด้วยอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลความเรียกร้งสงสัยในเรื่องของธรรมะก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งในส่วนองค์ธรรมทั้งในส่วนของวิธีการปฏิบัติถ้าในส่วนที้เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือแม้ในในแง่มุมอื่น ที่เราจะเห็นว่าเรื่องของธรรมะนั้นแลาวท่านสารชนได้มองปฏิคัมท่านใช้คำว่าศาสนาเวลาท่านเรียกนั้นท่านเรียกว่าปริยัติศาสดาปฏิบัติศาสดาปฏิเวทศาสดาตัวแสดงว่าศาสนาคือคําสอนนั้นมีอยู่3ระดับปริยัติก็คือเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ของธรรมะเหล่านั้นหรือกลุ่มของธรรมะเหล่านั้น ที่ต้องการอย่างยิ่งก็คือรู้ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีธรรมะเหล่านั้นความทุกความเดือดร้อนที่ขาดการมีขาดธรรมะเหล่านั้นเป็นหลักใจแต่ถ้ารู้เท่านี้มันก็เป็นการเสริมเฉพาะความรู้แต่ตถาจะตั้งมั่นยังไม่ได้ปัญญาจะคุ้มครองตัวเองอยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีกำลังไม่มาก จาต้องเข้าถึงปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติให้ตนมีธรรมะเหล่านั้นจิตใจได้สัมผัสผสมกลมกลืนกับธรรมะเหล่านั้นแล้วจะเห็นธรรมะเหล่านั้นที่ใจเพราะเมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นใจมันเป็นยังไงบ้างจะยกตัวอย่างว่าคิริโอตรปะบางเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจในเชิงว่งปริยัติเราก็ศึกษาเราเรียนมา ไปดีคือความละอายต่อบาปโอดตะปะเป็นความสะลงโกรธต่อบาปที่ดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากเกื่อไขภ า, ายในตัวของบุคคลที่มีจิตสานึกดีงามพอสมควรน่อาจจะอาศัยชาติสกุลที่เกิดมาแล้วก็มีการคึกรือร่มกันเป็นดีอาจจะอาศัยวัยคืออายุมันเพิ่มขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นโดยจากประบุญคุณโทษมากขึ้น หรืออาจจะอาศัยการศึกษาและเรียนที่มุ่งเน้นย้ำให้เกิดรู้ปัปปุลคุณทน อ, อาจจะเกิดขึ้นในใจิตใจที่เข้มแข็งถึงไม่อ่อนไหวต่ออำนาจของกิเลสและอารมณ์ที่มากระทบโอตะปะคือความสรุนโกรธต่อบาปนั้นอาจจะอิงอาศัยปัจจัยภายนอกกลับมาเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีโอตะปะขึ้นภายในใจ จันกลัวว่าถ้าทําอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปแล้วแม้ตนเองก็จะตีเตียนตัวเองได้คือตําหนีตัวเองได้ก็เสียใจในการ ร, ากกรัพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะคิดว่าผู้รู้ที่เป็นนักปราชญ์ได้ทราบได้รู้การกระทําของเราแล้วถ้าจะตําหนี้เอาอาจจะกลัวต่อการถูกจับกลุมกลุ่มขังลงโทษเพราะว่าการกระทําที่ขาดดีดนั้นนอกจากจะผิดธรรมะแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วย เรื่ออาจจะพราะกลัวภัยในในรกแน่นอนถ้าฐานเหล่านี้มีครบทุกฐานมันก็มั่นคงแต่ถ้าไม่อาจได้มีครบทุกฐานได้ก็มีสักฐานสองฐานหนึ่งก็จะกลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจแล้วเราก็พยายามเสริมสร้างฮิรีความรอายต่ อ, อตบาปวัตปะความสะดุ้งโกรบบาปให้มีอยู่ภายในใจ แล้วเราจะเห็นว่าฮิรินั้นเวลาเขามีกำลังเกิดขึ้นมากๆกเนี่ยเขาจะรังเกียจเขาจะขยะขแขยงแม้แต่ความคิดที่เป็นปัจจัยเขาก็จะควบคุมความคิดเอาไว้แม่ความคิดนั้นเป็นปัจจัยยังคิดจะเสียคิดจะแข่งดีคิดโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแต่คิดจะเห็นความพินาศเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่คนที่เป็นศัตรู เราถึงความคิดที่เป็นการมุ่งร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อผู้ปกครองของบุคคลเั้นพวกนี้จะรู้สึกว่าความคิดเหล่านี้แม้คนอื่นจะไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้พระหานทั้งหลายรู้แต่ที่สำคัญยิ่งคือเรารู้ว่าเราคิดอย่างนั้น ก็จะเกิดความรังเกียจความละอายต่อไปพยายามควบคุมความคิดเอาไว้คือไม่ให้ความคิดตัวอยู่ภายตาหน้าตึงกิเลสเดี่วนั้นแล้อก็เหมือนที่คนรักสวยรักงามรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนจับหยาบเขาก็มองผ่านไปเขาก็เฉยไปไม่ค่อยใส่ใจสนใจ แต่คนที่รักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นแม้แต่อะไรบกพร่องนิดเียหน่อยก็ไม่ได้จะต้องแก้ไขจะต้องปรับปรุงจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องป้องกันไม่สิ่งโด็ด้ัเกิดขึด้นั้นก็แสดงว่าจิตใจของบุคคลนั้นได้สะอาดอยู่ก่อนถ้าจิตใจไม่สะอาดมันก็ยากที่จะสะท้อนออกมาเป็นการรักความสะอาด จนสามารถทําที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้สะอาดตามไปผลเหล่านี้จึงเป็นผลที่บุคคลแต่ละคนจะรู้ได้โดยใจของตัวเองคือเห็นได้ด้วยใจศรัทธาเองก็จะเกิดปั้นโกมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นเหตุเห็นผลของธรรมะอันเป็นสัมผัสตรงด้วยใจปัญญาของบุคคลก็จะมีเพื่อปูดมากยิ่งขึ้น เพรการเรียนรู้ในคราวนี้เป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าภาวนามย์ปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติอยาจะยกตัวอย่างเรื่องยากล่าวไว้ในวันก่อนเราะเห็นว่ายานั้นถ้าลงถึงเรารับประทานเข้าไปแล้วจะหายโรคสธาดาญาตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นมากและปัญญาที่จะพิจารณา แต่สินใจรับประทานยาในอากาศต่อไปก็จะเพิ่มคิดมากในครั้งแรกเราอาจรับยามาจากหมอครั้งที่สองเนี่ยหรือครั้งต่อมาเราอาจจะไม่ต้องรับจากหมอก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันเห็นประจักษ์มันรู้จักยาเหล่านั้นดีและเข้าใจถึงห้วงระะเวลาที่รับประทานก่อนอาหารลังอาหารจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเรารู้ดัง เพในช่วงหลังมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาเองคือแทนที่พิจารณาที่ที่มาของยา ก, ก็ใช้ผลสําเร็จที่ตนได้รับจากยากเป็นเครื่องมือในการตัดสินสแสดงว่าช่วงที่สองเราก็ใช้ปัญญาเป็นหลักช่วงแรกก็ใช้สตาเป็นหลักแต่ผลที่เกิดขึ้นภายในใจก็คือมันหายจากโรคธรรมะปฏิบัติก็คือใจมันก็หายจากกิเลสไปส่วนจะมากหรือน้อย ทิ้งช่วงได้นานๆหรือว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นมีความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องจะมีความต่อเนื่องกันไปผลคือการจางไปคลายไปบรรเทาไปของวิจิิจฉาสังยดมันก็จะลดลงหรือแม้แต่กิเลสข้ออื่นมันก็ทำหนังนั้น อื่นั่นก็คือผลส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ที่เราเรียกว่าปฏิเวทศาสนาแม้จะไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นผลระดับหนึ่งเป็นความสุขความสงบระดับหนึ่งซึ่งเราก็จะได้จะสัมผัสในขณะนั้นๆเพราะเมืม่อความสงสัยเกิดขึ้นก็อาจจะใช้ตัธานำหรืออาจจะใช้ปัญญาดันแต่ว่า จ, จะเป็นเรื่องของพุทธญาติก็ดีพระธรรมก็ดีแในพระสงฆ์ก็ดี ปัญญาสถานนั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดความเครีบแขงสงสัยออกไปจากใจต่อตนนี้ปายก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุบต่อไป